有有50 languages. 31. 31 p p a t t i w o อาหาร 3. u n a v a g a n r ทีาได้ออเดอร์ค่ะ n a k k snacks v e n ดิฉันอยากได้สลัดค่ะยานัาดเว้นดมดิฉันอยากได้ซุปค่ะยานออเว้นดิฉันอยากได้ของหวานค่ะยาน อ, อร์เวดิฉันอยากได้ไอสครีมใส่วิปครีมค่ะ எ ன น்กு அ ட อิตาพாลอร์ได้ยูดนเซนเดอร์โว க ฟันนิคคูร์ไอซ์ครีมเบนดดดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ க านักสีด์ฟาร์มอ ல ลลัดชีสเ ண นดு ம ்เราต้องการทานอาหารเช้า எ ங ง க ลு க ் க ுอล ல ை உ ண นுวேเ்นด ம ்เราต้องการทานอาหารกลางวัน எ ங ்ก ள ுล் க ு ம มி ய ย ண வ ุณேว் ட ுเวนดเราต้องการทานอาหารเย็น எ ங ்ก ள ுล் க ு இ ர வ ร உ ண வ ุ வ ேเว ட นด்อาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะุงก க ள ล க ் க ு க อ, อลை உ ย வ ุ க ் க ு எ ன ்ย வ น ண ் ட ு ம ்ขนมปังกับแยมและน้ำพึ่งไหมคะแยมุมเตนุมเซินเด้โร ஸ ் ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะ Sausage, m u s h r o o and toast. ไข่ลวกไหมคะ One egg white and egg. ไข่าดาวไหมคะ One poached egg. o ออมเล็ e ไหมคะ One o m e l e t ขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะได้เอาวิอินนอุ่นายิรขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะได้เอาวิตเตสิริดวุปุง่งเลากุนโดะขอน้าเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะได้เอาอินนอุ่กลาสตันนิร